เอาน่าอย่าซสีเรียกเรื่องคุณพระช่วยพวกเราชอบอ้อนวอนชอบบนบานสารกล่าวกันจนเคย โดยเฉพาะผู้หญิงขอให้พระช่วยจนติดปากเกิดมีอะไรขึ้นหรือตกใจอะไรจะต้องร้องว่าคุณพระช่วยทุกครั้งวันหนึ่งอาซิมนั่งขายของอยู่ในร้านหน้าร้านมีคนมาทำความสะอาดท่อและเปิดฝาท่อทิ้งไว้ผู้หญิงคนหนึ่งเดินตกท่อแล้วตะโกนว่าว้าย คุณพระช่วยอาซิมหัวรอดตัวงอแล้วเดินออกมาหาหญิงผู้เคราะร้ายพระอช่วยหรือไม่ไล่หรอกเพราะเมื่อเช้านี้พระก็ตกเหมืองกลง